วิธีที่สองระลึกถึงความดีที่ทำมาขอบอกไว้ล่วงหน้าเลยว่าสิ่งที่คุณจะเห็นขณะที่จิตยกขึ้นสู่วิถีแห่งมรณะคือนิมิตการกระทำที่ผ่านมาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากหลายทุกคนคงเคยมีประสบ การใกล้หมดสติและพบว่าเรื่องราวต้องนมนานผ่านแวบเข้ามาในหัวได้อีกทั้งที่ปกติหลงลืมไปอย่างสนิทแล้วแม้เหตุการณ์ช่วงพึ่งลืมตาดูโลกไม่นานก็เอาหมดหวนกลับมาใช้ภาพซ้ำได้หมดฉะนั้นแทนการให้จิตซึ่งใกล้หมดสติเป็นผู้สุ่มเลือกการกระทำแต่หวนหลังขึ้นมาแสดง ซึ่งอาจมีทั้งดีทั้งร้ายคละกันคุณก็ชิงนึกถึงแต่ตอนที่คุณยังมีสติดีๆมีความสามารถเลือกตัดสินใจดีๆได้ไว้ก่อนโดยเลือกเอาเฉพาะที่คุณเคยตัดสินใจปฏิเสธเครื่องยั่วใจให้ผิดศีลผิดธรรมตัดสินใจอภัยแทนที่จะแก้แค้นตัดสินใจช่วยเหลือผู้คนแทนที่จะทอดทิ้งพวกเขา การมันระลึกถึงกรรมดีในอดีตจะช่วยให้เกิดความเคยชินกับอารมณ์ดีๆเพราะถึงเวลาใกล้จิต ด, ดับอำนาจความเคยชินนั้นจะดึงเอาความทรงจำด้านดีออกมาจากคลังกรรมซึ่งสะสมมาทั้งชีวิตมากมายเรียงรายเป็นคิวยาวเหยียดชนิดที่คุณนึกไม่ถึงทีเดียวว่าตนเคยดีมาได้ขนาดนั้น ทุกคนเคยทําชั่วเคยนึกผิดคิดพลาดแน่นอนแต่อย่าไปเสียเวลานึกถึงมันถ้าอดนึกไม่ได้ก็ขอให้เป็นการสํานึกผิดครั้งสุดท้ายแล้วหันเหไปกลบทับเสียด้วยการประลึกถึงคุณงามความดีอันเป็นคู่ตรงข้ามกับทั้งถามตัวเองอีกด้วยว่าในความดีหนึ่งหนึ่งซึ่งเคยทําไว้ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้คุณจะดีกว่าที่เคยสักแค่ไหนยิ่งจินตนาการได้ชัดใจคุณจะยิ่งดำดิ่งลงไปในน้ำทิพย์แห่งความดีชนิดนั้นๆบังเกิดความปีติปรีดาชวีขึ้นกว่าที่เคยได้หากนึกไม่ออกหรือลำบากมากนักก็อาจใช้ชีวิตที่เหลือ อยู่ในปัจจุบันนั่นเองพูดให้ใครก็ได้รู้สึกดีหรือทำอะไรก็ได้ให้ใครสักคนรับประโยชน์จากชีวิตอันเหลือน้อยของคุณคราวนี้คุณจะได้ไม่ต้องเค้นระลึกถึงอดีตฝังลืมต่างๆอีกต่อไปเอากรรมดีที่เกิดขึ้นสดๆนั่นแหละเป็นใบเบิกทางสู่ธงชัยแห่งความสว่าง ด้วยข้อวิธีนี้คุณจะพบกับความจริงด้วยความเต็มตื้นว่าเพียงด้วยการระลึกถึงความดีให้ออกยิ่งบ่อยเท่าไรความสบายใจก็จะยิ่งทวีขึ้นเท่านั้นและนั่นก็เพราะค่าของคนอยู่ที่ผลของการทำดีไว้กับโลกนั่นเอง